ซึ่งแนบไฟล์เป็นเอกสารไว้ในแผ่นนี้แล้วนะครับสามารถปริ้นออกมาสวดหรืออ่านได้เลยและได้อัดเสียงเฉพาะคำแปลภาษาไทยมาให้เพื่อไว้ฟังหรือสวดตามอีกด้วยถือเป็นการสร้างกุศลถวายเป็นพุท ธ, ธบูชาในวันออกพรรษาปี2553นี้พร้อมกันไปเลยนะครับการสวดมนต์ที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้คาแปลหากฟังคาแปลจากพระคาถาบทนี้เราจะเข้าใจเลยว่า